มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัคพุทธอัตินณติภาวะปัญหาที่หนึ่งถามว่า พระพุทธเจ้ามีหรือไม่ท่านได้เห็นมหรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัถปัญหาในปัญจมาวากนี้ว่าพันเตนาคเสนฆะ่าแต่พระนาคเสนผู้จำเริญด้วยปัญญาปริชาพุทโธอันว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านี้พระผู้เป็นเจ้าได้เห็นมหรือประการใดพระนาคเสนถวายพระพรแก้ไขว่า สมเด็จพระพุทธองค์นิพพานล่วงไปนานแล้วอัตมาเกิดไม่ทันจะได้เห็นองค์พระสัพพันธ์อยู่บรมครูหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมิสุนทรพจนาราชอา์การตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าสิไม่เห็นพระพุทธองค์ว่าพระมหากรุณานิพพานไปช้านานก็พระอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นหรือไม่เป็นประการใดเล่า พระนาคเกษตอบว่าขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเจ้าพระอาจารย์ของอัตมานิเล่าก็ไม่ได้ทัศนาการเห็นพระองค์ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีสุนทรพุชนาตราชองการตรัสว่าถ้ากระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าก็ไม่มีละสิพระผู้เป็นเจ้าถ้าว่าสมเด็จพระพุทธเจ้ามีจริงพระผู้เป็นเจ้าก็จะเห็น ถึงพระผู้เป็นเจ้าไม่เห็นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าก็จะเห็นถ้ากรณนั้นก็ว่าเปล่าเปล่าจะว่าสมเด็จพระพุทธเจ้ามีอย่างไรพระนาคเสด็ได้ฟังพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์เชนนี้จึงมีเถรวาจ่าถามบ้างว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบาพิษได้ทัศนาการทอดพระเนตรเห็นโอหานาที คือสะดือทะเลที่กลางทะเลบ้างหรือว่าหามิได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าโยมไม่เคยเห็นนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจริงสักถามอีกล่าวว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภาราเจ้าสะดือทะเลนั้นเล่าพระราชสมภาราเจ้าสิไม่เคยทอดพระเนตรเห็นก็สมเด็จพระปิตุเรศของมหาบอพิษเล่า ได้เห็นมาหรือไม่ประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าสมเด็จพระปิตุเรศของโยมก็ไม่ได้ทอดพระเนตรนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษน จ, จึงถวายพระพร อ, อีกเล่า ว, ว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเาจา้าถ้ากระนั้นสดือทะเล ก, ก็ไม่มีนั่นแหละสิบอพิษพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีจึงตรัสว่า สะดือทะเลนั้นถึงโยมไม่ได้ทอดพระเนตรถึงพระปิตุเรศโยมไม่รู้ไม่เห็นก็ดีสะดือทะเลนี้มีอยู่เป็นมั่นคงพระผู้เป็นเจ้าจงรู้เถิดพระหน้าเกษรผู้ประเสริฐจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบอพิษพระราชสมภารผู้เป็นใหญ่ความข้อนี้มีฉันใดองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาน อาตมาและพระอาจารย์ของอาตมาไม่เห็นก็ดีพัาวาองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคขยะราศีมีจริงจริงดุดสะดือทะเลนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรก็ทรงพระโสมนาตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้ควรนักหนาในการบัดนี้ พุทธะอัติณติภาวะปัญหาเป็นประถมจบเท่านี้